หกลอยหกลอยหาสิบกองกระเบื้องปูห้องน้มอีกขนาดสามสิบพุ้นสามสิบสี่อยเก้าสิบกองรวมเราเป็นหนึ่งพันหนึ่งลอยสี่สิบกองอันนั้นเข้าบ่อนใ้นับบ่น้นับเขาเงินอ น, น, นี้แต่จะพอเงินจะตุก ป, ปัจจัยที่ขนาดของเสียต้ม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 ผักหญาดของคนป่วยคนไข่แต่คิดเป็นเงินออกมาแลวก็คงจะประมาณสักสองล้าน ก, กว่าๆเนี่ยหลวงพ่อว่าแต่หลวงพอก็บก่ได้พิถีพิทันหอกจิปิดกีปีหลายมันบุญเนพอขาว่านเน็ตมีแต่เข้าเท็ดแล้วก็ได้บุญได้กุศลเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอำนวยความสุขบํบำบัดทุกให้กับพี่น้องประชาชน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 มีนามเดืมเป็นห่องมีลอบปพอ่อดูแลกขุ่งข้องพี่น้องพระชาชนบันนอกบันหน้าเขาไปเฝ้าไข่เนี่ยหลบงพ่อก็คิดถึงท่านละเนี่ยละมืออื่นเนี่แหละหลวงพ่อฉันยังหันแล้วก็คือจะผ้าคณะแพทย์คณะหมอคณะกรรมการขมาเบิงเลยก็สทีหมอบสีหมอบจังไดกันหมอบรหมอบเ่าตหมอบเป็นพิธีสักน้อยหลวงพอ่อ เออเมือ่อใดเขาจัดพิธีมอบกันว่าโอ้อเราจะลงพ่อหรอกนะลงพอก็จะมอบแบบง่ายๆไปเออเอามอบแลวเถอะพอกับวายสันแล้วก็แล้วท่านน่ะลงพ่อนี่ยเมื่อใดอยากในหนานได้ตายยังหอกได้ยังหนาก็บมีแล้วตาก็เมีแล้วเพื่อเผอหนาหนาลงพอ่อโดยทุจ้าเบิ่งนนุนหนายาวขึ้นยังนี่ <c oughs> พวกนั้นลงพ่อบริขืดยังรอกมอบให้กับ พี่น้องประชาชนเกิดประโยชน์แล้วก็แ ล, แลว้วอันหนึ่ก็คืออันหนึง่งอันที่สองก็สวดมนต์ทำพิธีเพื่ททอทําบุญนะครับโรงพยาบาลเพิ่งจะเปิดอาค้ารหองผ้าตัดแต่ฟังๆเบิ่งแล้วกัหลวงพ่อก็พออยากเบ่าเท่านั้เพิ่งว่าเพิ่งว่าพวกโรงพยาบาลไปเห็นผีย่ำนั่นอ่ะมุมมุมับปึาย่ำหองผ่าตัดมันไปเขาเจ้าก็เกลีย่ยัน มนมณฑำมุนทาท่านอุทิศส่วนกุศลอันนี้เป็นประเภทนี้อันหนึง่งแล้วก็อันที่สก็คือจะได้ไปชุ่มคณะกรรมการมูลนิธิของหลวงพอ่อหลวงพ่อตั้งมูลนิธินะ่ะดุลรันนะพายอยากจะทํามุนกับพระสงฆ์มูลนิธิพระอาจารย์อินถวายทานสุตตะโกดูแลสงอาพาธโรงพยาบาล อุรานธานีเดี๋ยวนี้ก็เด้จะตุปปัจจัยเพื่อจะดูแลพระสงฆ์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยข า, อางอาหารขาไอ้อย่างเพอเพอเกขาสทรงศพหละแต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็ได้สื่อลดแอมโบรเลนทั้งทหารอากาศท่านผู้ ก, การบุญบุญสืบนะกับคณะเพื่อมอบ จ, จะตุปปัจจัยให้หลวงพ่อก็ได้สื่อมอบ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 มีเงินทั้ง80โกิบโกดมากมายมาาหาศ า, ศาลกิจการมากมายลูกหนีหมดแต่ภาษาลรพุตท่านก็มองเอ้ยอันนี้มันโลกิยะมันไม่ใช่โล ก, กุตระโล ก, กุตระทรัพย์นี่อีกอย่างหนึง่งโลกิยะทรัพย์มันเอาไปด้วยไม่ได้หรอกตายแล้วก็แบมือขนาดเทน้ำใส่ฝ่ามือมก็ยังไถไหลลงดินเท่านั้นแหละจะไปใส่จิตใส่ใจอะไรมากมายนักหนาะ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 ขมันและบุตรแล้ก็ น, น้องสาวอีกพระเเลวตาเนี่ยน้องภาษาลิบุตรทั้งหมดสทำเจเป็นพระหันเนี่ยท่านก็ยคันคิด ถ, ถึงแม่ของท่านยังหัวอยู่ในสมบัติท่านก็ได้มีน้ําใจถึงแม่จะดุด่าว่ากาวอย่างไงท่านก็ใจดีเงียบฟังเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะถ้าว่าพวกเราเป็นลูกๆ ก, ก็เหมือนกัน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 เขารู้จักจวพราคนอื่นเขาโง่อยู่แล้วนะเอเราจะไปโง่กับเขาอีกทําไมล่ะตัวเองฉลาดอยู่แล้วนะ่ะก็ต้องทําตนทําใจของเรานะฟังนะเหมือนกับภาษาริบุตรเยอภาษาลิบุตรกับแม่ของท่านนะอแต่แม่ของภาษาริบุตนะรเนี่ยอก็ในตําราก็มีอีกนะลูกลานพระพุทธเจ้าท่านปารภเหมือนกันนะอครั้งหนึ่งออพระแม่ภาษาริบุตร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 เวลาถวายอาหารก็ต้องถวายพระพุทธเจ้าสะกอนจึงถวายภาษ า, าวกองเอินอันนี้ก็คือเป็นประเพณีของพวกเราที่เข็นแขกผู้ใหญ่เข้ามาในบ้านใช่ไหเ อ, อย่างเจ้าฟ้าเจ้าคุณมาหาหลวงพ่อเนเะหมือนกันพ่อนั่งขึ้นมาแล้วก็เ อ, าอเ้าเขารบท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วยังค่อยว่าอง์อื่นต่อไปแต่นี้แม่ภาษาเลบุตรไม่เป็นอย่างนั้น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 พระสงฆ์ทั้งหลายเห็นก็แปลกใจเอ๊แม่อัครสาวกเนี่ยทําไมเป็นอย่างนี้วะนะพระสงฆ์ทั้ ง, ทงหลายนะเอ๊แต่ก็ไม่พูดเนีพูดไม่ได้เพราะอยู่ในเหตุการณ์นีไยแม่พระสารีบกตรทำบุญทำไปเอ๊ะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ถวายไม่ได้อังคลาดด้วยอาหารนีกับแม่กับพระพุทธเจ้าตั้งที่มาในบ้านของตัวเอง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 จะไปแปลกใจเพราะว่ากรรมแน่มีกรรมด้วยนะท่นี่พระองค์อ้างถึงกรรมกรรมในอดีตท่านพระปทุมวงศ์ว่าพระสงฆ์วัดมีอะไรหนอพระเจ้าข่าเนี่ยกรรมในอดีตที่รพระโพธองค์จึงนางพระมารดาของพระท่านพระอัครสาวกจิงได้ทําอย่างนี้พระเจ้าขา่าสมัยหนึ่งเราเป็น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 กรรมนั้นก็จะตามสนองเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทําแต่กรรมดีคิดดีทดําดีพูดดีการทํากรรมมันประตูประตูของกรรมประตูของกรรมจะเข้ามามีอยู่สามถาวทาาวาวรก็คือประตูนั่นแหละสิ่งที่จะเข้ามาหาใจหาตัวของเราได้ก็คือมโนกรรมคิดไม่ดีถ้าคิดดีก็เป็นกุศลกรรมถ้าคิดชั่วก็เป็นอกุศลกรรม